ธรรมบทแปลเรื่องมารดาของพระกุมารกัสปะภาคที่หเรื่องที่หนึ่งสสพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพมารดาของพระกุมารกัสปะเทระพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตาหิอัตโนนาโถ โกหิหนาโถปะโรสิยาอันตะนาหิสุทันเตะนะนาถังละพติทุลลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นไกรเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยาก ดังได้สดับมามารดาของพระเทระนั้นเป็นทิดาของเศรษฐีในกรุงราชชุกฤตขอบรระชาแล้วจำเดิมแต่ตนถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแม้ออนบอลอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้บรระชาแต่สำนักของมารดาและบิดาเจริญวัยแล้วไปสู่ตระกูลสามี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 ด้วยสักการะใหญ่แต่ไม่ทราบอยู่ให้บวชในสำนักของนางภิกษุณีที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้วโดยสมัยอื่นนางถูกนางภิกษุณีเหล่านั้นทราบความที่นางมีกันแล้วถามว่านี่อะไรกันนางจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ทราบว่านี้เป็นอย่างไร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 ความเสียชื่อเสียงจงอย่าได้เกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษุณีผู้ตามตามโอวาทของเราจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกเธอจงให้นางนั้นศึกเสียนางภิกษุณีสาวนั้นฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าแม่เช่าขอแม่ทั้งหลายอย่าให้ดิฉันชิบหายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัต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 ในเวลานางเป็นคระหดแต่เพื่อจะเปลืองเสียซึ่งต่กยรมของชนเหล่าอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระพเจ้าเปรตที่โกศลท่านมหาอนาคตบินทิกะท่านจุลอนาคตบินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วทรงสั่งพระอุบาลีเตระว่า เธอจงไปจงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจดในท่ามกลางบริษัทซีดังนีน้แล้วพระเทระจึงให้เชิญนางวิสาขามาตรงเฉพาะประพักพระราชารแล้วให้สอบสวนอันที่ก่อนนั้นนางวิสาขานั้นให้คนล้อมเรื่องล้อมคือม่านตรวจ ด, ดูมือ เท้าสดือและที่สุดแห่งท้องของนางพิกษุณีนั้นภายในม่านแล้วนับเดือนและวันดูก็ทราบว่านางได้มีกันในเวลาเป็นเครือหัดจึงบอกความนั้นแก่พระเทระครั้งนั้นพระเทระทำความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นในท่ามกลางบริสัทธ์แล้ว ก็โดยสมัยอื่นนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตตะภายหลังวันหนึ่งพระราชาเสดไปณนะที่ใกล้สำนักของนางบิณุณีทรงสดับเสียงตารกจึงตราตามว่านี้เสียงอะไร เมื่ อ, อมารกราบตูนว่าพระชจ้าข้าบุตรของนางพิสุณีนั่นเกิดแล้วนั่นเป็นเสียงของบุตรนางพิสุณีนั้นพระราชาจึงทรงนากุมารนั้นไปสู่พระราชบัเทีของพระองค์ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อชนทั้งหลายตั้งชื่อกุมารนั้นว่ากสปะ แลเพราะความที่กุมารนั้นเป็นผู้อัญพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเรื่องบริหารของกุมารจึงรู้กันว่ากุมารักษัสปะกุมารนั้นทุบตีเด็กในสนามกีฬาแล้วเมื่อถูกพวกเด็กเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเราถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้วกุมารักษัสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระราชา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 มารดาของหม่อมฉันไม่ได้มีเท่านี้อันมารดาของหม่อมฉันพิงมีคนเดียวขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้นแกห ม, ม, ม่อมฉันเถิดพระราชาทรงมีความคิดว่าเราไม่อาจลวงกุมาร น, นี้ได้จึงตรัสว่าพอมารดาของเจ้าเป็นภิกษุณีเจ้าอันเรานํามาแต่สำนักของนางภิกษุณี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 บวชในสำนักของพระศาสดาด้วยสังระเป็นด่นมากกุมารกัสปานั้นได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพระกุมารกัสปะเทระท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้ จึงมีความคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีกมาสู่สนักของพระศาสดาอยู่ในป่าอันถวันแล้วกระนั้นพิสุผู้ทำสมณธรรมร่วมกันในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าบรรลุอนาคามีผลแล้วบังเกิดในปรมโลกมาจากปรมโลกถามปัญหาสิบห้าก้อ กับรักุมารกัสปานั้นแล้วทรงไปด้วยกับว่าคนอื่นยกพระศ า, ศาสดาเสียที่สามารถเพื่อจักพยากรปรัญหาเหล่านี้ไม่มีท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระศ า, ศาสดาเถิดพระกุมารกัสปะก็ทำเหมือนอย่างนั้นบรรลุพระอรสาตผล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 ไปจับพระเทระแล้วพระเทระมีความคิดว่าถ้ามารดา น, นี้จะได้ถ้อยคำอันไพเราะจากสำนักของเรา น, นางจะชิบหายเสียเราจะเจรจากับมารดา น, นี้ทำให้กระด้างทีเดียวในที่นั้นพระเทระจึงกล่าวกนางภิกษุณีผู้เป็นมารดา น, นั้นว่าท่านเที่ยวธรรมระยู จึงไม่อาจตัดแม้มากว่าความรักได้นางภิกษุณีนั้นมีความคิดว่าโอ้ถ้อยคำของพระเถระหยาบคายจึงกล่าวขึ้นว่า พ, พ่อพ่อพูดอะไรนะถูกพระเถระว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีกจึงมีความคิดว่าก็เราไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้สิ้นสิบสองปีพระเหตุแห่งบุตรนี้ แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้นางภิกษุณีจึงตัดความเสนิหาในบุตรแล้วบรรลุพระราตผลในวันนั้นนั่นเองตอนพวกภิกษุพากาันสรรเสริญพระพุทธกุลก็โดยสมัยอื่นภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงตามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมารากัสปะและพระเทรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตให้ชิพหายแล้วส่วนพระศาสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นโอ้หน้าสจันธรรมดาพระพุทธชา้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุกราโลก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 แมในการกรนเราก็ได้เป็นที่บำนักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรนิโครทะจากดกนี้ให้พิสดารด้วยกระานนิว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อว่านิโครทะผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อว่าสากะความตายในสนัก ของเนื้อชื่อว่านิโครตะประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นจะประเสริฐอะไรนังนี้จึงทรงประชุมชาดว่าเนื้อชื่อว่าสาขาในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้แม้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละ แม่เนื้อตัวถึงวาระได้เป็นพระเทรีบุตรได้เป็นกุมารกัสปะส่วนพญาเนื้อนามว่านิโครทะผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวมีคันคือเราเองและเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเทรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองแลจึงตรัสว่า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 นาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพาติทุนละพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นไกรเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากดังนี้ ตอนแค่อัดบรรดาบทเหล่านั้นคำว่านาโตแปลว่าที่พึ่งหมายถึงเป็นที่พึ่งบานักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าบุคคลตั้งอยู่ในตนคือสมบูรณ์แล้วด้วยตนสามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์หรือเพื่อยังมักให้เจริญหรือทำให้แช่งซึ่งผลได้ เพราะเหตุนั้นแหละตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นไกรเล่าพึงเป็นที่พึ่งกองไกรได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วคือมีความเสพผิดออกแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยากกล่าวคือพระอรัตผลก็คำว่านาถังละพติทุลพัง แล ว, ว่าย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาพระอรหัสตในเวลาจบเทสนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องมารดาของพระกุมารากัสปะเตระ